ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี่คือว่าเป็นแก่นของชีวิตถ้าชีวิตนี่ปราศจากจิตหรือใจนี่แล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลย ต้องพิจารณาให้มันเห็นจะไปตกนรกก็จิต ด, ดวงนี้จะขึ้นสวรรค์ก็จิต ด, ดวงนี้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็จิต ด, ดวงนี้ร่างกายมันไม่ได้ไปด้วยเราก็เห็นกันอยู่ดาดินเมื่อจิตนี้ ละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับทอนกล้วยที่เขาตัดไว้บนพื้นดินมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นไม่มีแกนสารอันใดไม่ควรที่จะมาหลงไหลเพิดเพลินอยู่กับร่างกายอันนี้ ร่างกายอันนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วเราก็สร้างบุญกุศลสืบต่อผู้ใดไม่สร้างบุญกุศลสืบต่อก็ไม่มีบุญที่จะอำนวยความสุขให้ต่อไปชื่อว่าเป็นผู้ประ ม, มาทไม่ คิดที่จะถอนตนออกจากทุกข์ปาธนาที่จะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็เป็นเช่นนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ทำความเปลี่ยนละกิเลสตัณหาออกจากหัวใจเพราะกิเลสตัณหานี่มันพา ให้ดวงกิตดวงนี้เล่ล่อนพาเนจรอยู่ในโลกสงสารอันนี้สวย ส, สุขบ้างสวยทุกบ้างแต่ดวงมันจะเป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุกเพราะเหตุว่าไปอาศัยร่างอันใดเกิดอยู่ร่างอันนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นจะจะให้เป็นเป็นสุขมาแต่ที่ไหนเหมือนอย่างดวงกิตที่มาอาศัยร่างของมนุษย์อยู่อย่างนี้หลแเราก็พิจารณาดูสิในปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาความสุขอะไรกับร่างกายอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้เดี๋ยวก็ ไม่สบายก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่ออยู่นานไปอายุมากเข้าไปเท่าไรร่างกายอันนี้ก็ยิ่งสุดโทมไปเรื่อยๆ อ, อันมันจะแข็งแรงต่อไปข้างหน้าไม่มีทางมีแต่มันสุดโทมไปเรื่อยไปก็เช่นนี้แหละ พระศาสดาจึงสอนไม่ให้ประมาทให้รีบเร่งประกอบกิจที่ควรทำพยายามทำไปให้เต็มความสามารถกิจใดที่ไม่ควรทำแต่ใจมันยังชอบอยู่อย่างนี้ก็ต้องเพียนละมันเพียนสอนใจตัวเอง ให้ละขิดการงานที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนั้นไอต้ตนเองไม่สอนตนละจะให้ใครมาสอนคนอื่นคนก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อตนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรความสำคัญมันจึงอยู่ที่ตัวตัวเอง นี่เมื่อตอนเองไม่ไม่มีปัญญาสอนตัวเองตัวเองก็ละกิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้แล้วก็ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้ขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วมันจนมุมนะคนเรานี่นะให้เข้าใจดังนั้นนั่งภาวนา ก็อย่าไปนั่งโงกนั่งว่วงอยู่เฉยๆต้องนั่งภาวนาแบบมีสติประคองจิตให้สงบลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองให้มันเป็ น, น, นจิตดวงนี้มันคล้องอยู่ในเรื่องใดมันยังละไม่ได้มันละยาก อย่นี้นะก็ต้องใช้อุบายปัญญาสอนตัวเองเข้าไปสอนตนเองให้มันละให้มันปล่อยมันวางสิ่งที่มันยึดถือไว้นั้นซึ่งไม่เป็นแกนสารอะไรในจิตนี่มันย่อม ละกิเลสตัณหาได้ด้วยอุบายปัญญาอันมันจะละเอาเรื่อๆนี่ไม่ได้ดอกอุปมามือนยังเด็กมันร้องไห้ถ้าบุคคลผู้เป็นแม่หรือเป็นแม่เลี้ยงหาสิ่งของที่มันชอบใจให้มันเล่นแล้วมันได้ของอันชอบใจแล้วมันก็หยุดร้องไห้ นี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้เมื่อมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันใดอย่างนี้แล้วแล้วก็พิจารณาหาอุบายอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสอนั้ น, น, นมาเพ่งพิจารณาและทั้งสอนใจตัวเองด้วย เช่นอย่างว่าจิตใจมันติดมันคล้องอยู่ในความรักความใคร่อย่างนี้นะอเราก็ต้องเพ่งอสุภากรรมฐานให้ปรากฏในใจแล้วก็สอนใจตัวเองมานี่ยรูปร่างอันที่ตนหลงรักหลงใคร่อยู่นั่นนะเมื่อตีแผ่ออกไปแล้วนะมันไม่มีอะไรสวยงามมันมีแต่ ความสวยงามก็มีแต่ผิวหนังภายนอกอาศัยหนังหุ้มหอ่อสิ่งโสโครกไว้มาให้มันทะลักออกมาหน้าเกลียดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าลอกหนังนี่ออกแล้วสิ่งโสโครกปฏิกูลก็ไหลทะลักออกมาน้ำเลือดน้ำเลืง้งน้ำนอง อุจาระปัสสาวะอะไรต่ออะไรมันก็ร้นแต่มีแต่ของโสโคกอยู่ภายในนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราจึงไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้สอนตัวเองเข้าไปนี่แหละเมื่อจิตนี่มันถูกปัญญา สอนเข้าไปอบรมเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความรักความใคร่ออกไปอุปมามันยังบคครพอเที่ตาไปมองเห็นสิ่งโสโครกอยู่เบื้องหน้านั่นอย่างนี้นะใครเลยจะไปเหยียบเอา ถ้ามีกลิ่นเหม็นด้วยพอถูกกลิ่นแล้วนี่ก็เว้นแล้วออไม่ยอมไปแตะต้องไปเหยียบมันแล้วถ้าหากว่าไม่เห็นสิ่งโสโครกเหล่านั้นน่ะมันก็ไปเหยียบเข้าให้อย่างนี้นะจึงค่อยรู้ว่าเป็นสิ่งโสโครกเหล่านี้มันแปดเปื้อนแล้วอืนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่สนใจ ในรูปสิ่งที่ตนพอใจอยู่นั้นเนะ่ะดูตาผิวเผินภายนอกเมื่อไปยึดถือเข้าไปแล้วไปเกิดความรักความใคร่ขึ้นแล้วก็จึงรู้ตัวอย่างนี้กลัวว่าจะมากำจัดความรักความใคร่ออกจา ก, กจิตใจได้ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนก็กำจัดไม่ได้ทำ ก็เลยตกเป็นธาตุแห่งความรักเดินรนไปตามสแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าอดทนนี่คนเรานะ่ใช้แรงงานไปแต่ในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ใช้แรงงานไป เพื่ทุกเป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นอันที่จะมาใช้แรงงานว่าเราจะทําความเพียรสู้กับกิเลสแม้มันจะยากลําบากอย่างไรก็จะสู้ไม่ถอยตายด้วยความเพียร น, นี่แล้วแล้วไปผู้ที่จะคิดดําริอย่างนี้นะ่มีน้อยเต็มทีให้พากันสังเกตดูะ มานี่ยเรา่ะเราจะไปคิดอย่างนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราจะคิดนึกไปอย่างปุถุชนคนผู้นะไปด้วยกิเลสอย่างนี้ก็ถามตัวเองสิเตือนตัวเองเข้าไปไอ้ความคิดอย่างปุถุชนนนนะ่ะ มันเป็นพื้นของจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่ตั้งแต่อดีตถนหลังนู่นก็ไม่เห็นมันพ้นทุกสักทีเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นทาตแห่งตันหาก็ต้องเสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละ แสนยากแสนลําบากอันที่จะได้ทําบุญษษกุศลแต่ละครั้งก็แสนยากหรือจะได้บายหน้าเข้าสู่วัดรวารามแต่ละครั้งในก็แสนยากเพราะตันหามันผูกมัดรัดตึงเอาเสียมากมายไม่สามารถที่จะถอนตนออกมาได้เหตุดนั้นพระเวทพันดอน ท่านจึงลำพึงก่อนที่จะทานลกูกทานเมียทานเข้าของลำพึงว่าตันหารักลูกนี้เหมือนกับเชือกผูกคอตันหารักผัวรักเมียนี่เหมือนกับปอผูกศอกตันหารักเข้าของเงินทองนี่เหมือนอย่างปอกมาสวมตีน ตัณหาสามประการนี้มาผูกมัดและตรึรงจิตนี่ไว้ในสงสารจึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่มีความสุขอันยอดเยี่ยมได้เพราะเว็ตันดอนลำพึงอย่างนี้แล้วก็จึงให้ลูกให้เมียให้ลาดราชรถ ตลอดถึงแก้วแหวนเงินทองช้างพระที่นั่งอะไรให้หมดไม่มีเหลือเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหินมพานเมื่อพระองค์ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ได้สงสาร จนมาถึงชาติเป็นพระเวสสันดรได้ให้ทานรูปและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะ่ะนั่นแหละนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าบุญบา ร, รมีของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วถ้าพระโพธิชัดพระองค์ใดสร้างบา ร, รมีมาในสงสารหากยังไม่ได้ให้ทานรูปและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะ่ะ บุญบารมียังไม่เต็มก็ต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ให้ผู้เป็นบริษัทของพระองค์ได้น้อมเข้าไปคิดไปตรองให้ได้รู้ว่าบุคคลเมื่อ ย, ยังสร้างบุญกุศลไม่เต็ม ตราบได้นี่ยังจะบรรลุถึงบริพานไม่ได้ยังจะพ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ไม่ได้ก่อนแต่ว่าเมื่อผู้มีบุญกุศลมากไปเท่าไรความทุกข์มันหักบรรเทาไปเท่านั้นนั่นเองเนี่ยขอให้พากันเข้าใจบุคคลผู้มัวเมาประมาทยอย่างที่ว่ามาแล้ว ตกเป็นธาตุแห่งความรักความใคร่โดยส่วนเดียวเช่นนี้โอกาสที่จะได้สั่งสมบุญบารมีนั้นมีน้อยเต็มทีบางคนเลยไม่มีเสียซ้ำไม่สนใจกับการบุญการกุศลไม่สนใจที่จะฝึก้นตนเลยไอ้ข้อปฏิบททัติพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ก็ไม่ยอมรับไปปฏิบัติตาม เช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะนอกจากรักษาศีลห้าแล้วก็ทรงสอนให้รักษาศีลอวสุด้วยเพราะการรักษาศีลอวสุ น, สนี่เป็นการบำเพ็ญเนกขมะบารมีคือพยายามถอนตนออกจากกิเลสกรรมและวัตถุกรรมทั้งหลาย ทีมันครอบงำจิตใจทำให้ดวงคิดเล่ล่อนเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่ขนานับพบนับชาติไม่ทนแล้วนั่นบุคคลผู้ประมาทนั่นไม่ตื่นตัวหรอกไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เหตุนั่นถึงไม่ตั้งความเพียรพยายามที่จะละมัน ยอมเป็นชาติของมันอยู่นั่นไปชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างนั้นคนส่วนมากนะมักจะเป็นอย่างนี้แหละพร ะ, ะนั้นาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันกิเลตันหามานะทิฐิเหล่านี้นะมันทำให้สัตว์เนินช้านั่งพ้นจากทุกข์ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์เสวยสุข สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็มีสุขมากน้อยทุกข์ก็น้อยลงบางทีก็ทุกข์มากเมื่อทำความชั่วมากเปิมันก็เป็นทุกข์มากทำความดีมากก็มีความสุขมากเช่นนี้ตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าน่ะขึ้นอยู่กับการกระทำความดีบุคคลจะมีความสุข บุคคลจะมีความทุกข์เพราะเกี่ยวกัรกระทำความชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นไอ้ผู้มีศรัทธาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ประมาทเห็นแต่แก่หลับแกนอนไม่ตั้งใจไม่อธิษฐานในใจว่าจะทำความเพียรให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆ จากนอนพอประมาณอย่างนี้จากบริโภคอาหารพอประมาณเรียวว่าทำอะไรก็พอประมาณทำการทำงานแม้จะทำอยู่ในวัดในว่าก็รู้จักประมาณรู้จักเว ล, เวลาเวลานี่ควรยุติการงานภายนอก เวลานี้เราจะต้องทำความเพียรภายในใจิตใจอย่างนี้ต้องรู้จักเวลาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นไปทำข้อวัดปฏิบัตินั้ น, น, นเส่นนี้มันก็จะไม่เติมจากพรมจันทร์ผูเนน้เห็นแก่ลับแกนอนเห็นแก่กิดอยู่แก่กิน แล้วก็ทำการงานหายนอกเกินเวลาไปไม่มีเวลาพักผ่อนจนเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าต่อจากนั้นมันก็มีแต่นอนลูกเดียวการที่จะลุกไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยมีแล้วนั่นแหละกิเลสมันได้ช่องเวลาอย่างนั้นแหละมันก็เข้าครอบงำจิตใจ ดังนั้นทุกคนต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือธรรมะที่เรียกว่ากาลัญโุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆอันนี้ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งนะ ผู้รู้จักการรู้จักเวลาทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่หเสียออย่างนี้นะฟ้าเป็นผู้ได้ปฏิบัติตามธรรมะข้อที่ว่าการันยุตานี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้วันนั้น ล้วนแต่เป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งนั้นแหละให้พากันสนใจพากันท่องการจำเอาให้ได้อย่าไปนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่ตนจะพึ่งศึกษาเราเรียนจดจำเอาตนภาวนา ฝึกขวนจิตใจสงบแล้วก็คงพอไม่ควรจะคิดเพียงเท่านั้นก <c oughs> ารทำใจให้สงบอย่างเดียวเท่านั้นจะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีอุบายปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าไม่มีคุณธรรมเอื่นๆมาประกอบด้วยอย่างนี้นะ ไอ้กิเลสมันก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่จิตใจเลยถ้ามีคุณธรรมเข้ามาประกอบด้วยเช่นนี้จิตเห็นแจ้งในธรรม น, น, นั้นแล้วมันก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นธรรมดังที่สแสดงมาแล้วนั่นแหละเมื่อผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่อย่างนี้นะ เราจะไปพิจารณาอย่างอื่นมาแก้ไขมันไม่ได้เพราะความรักอันนี้หมายเพราะว่ามันสำคัญในรูปเสียงเหล่านั้นเป็นของสวยของงามมันจึงได้หลงรักหลงใครอย่างนี้น ะ, ะทีนี้เมื่อผู้มีความเพียรมีปัญญาเอ๊ะทำไมอ่ะมันไปมันจึงไปรัก รูปเสียงเหล่านั้นรูปเหล่านั้นน่ะมันวิเศษอย่างไรมันดีอย่างไรมันสวยงามอย่างไรเราจะพิสูจน์ดูให้เห็นแจ้งชัดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เพ่งรูปกายอันนี้นะทั้งของตนและของผู้อื่นนะดูสีเทียบกันนะรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่เป็นยังไงะ นั่นแหละเพ่งดูรู้ว่าไม่มีอะไรสวยงามนังกล่าวมาแล้วนั่นแหละฉันใดรูปอื่นก็ไม่มีอะไรสวยงามเหมือน ก, นกันกับรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละนี่นะคุณธรรมนะ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเพ่งดูไอ ลักษณะอาการของรูปที่หลงรักหลงใครนั่นนะ่ะเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงลงไปแล้วเลยมันก็ถอนความรักความใคร่ออกไปเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดสวยงามแสดว่าในเมื่อพิจารณาดูให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้ว อ, อย่างนี้แหละไอคนที่หลงรักหลงใครอยู่นั่นน่ะ ก็เพราะมันไม่ได้พิจารณามันขาดปัญญานี่ไม่ได้เพ่งค้นหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใครนั้นมันไม่ค้นเลยมันไม่มีความเพียงเกียรคร้านถูกกิเลสตัณหาครอบงำเอาลเลยปล่อยตนไปตามอำนาจของมันเอ่อก็อย่างนี้แหละสาเหตุที่คน เกิดมาในโลกนี่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากหากินไม่พอปากไม่พอท้องก็เพราะตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่นี้เองอย่างเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็เมื่อเป็นทาสแห่งความรักความใคร่แล้วมีหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจอยากจะได้สองได้สามไปอีก อย่าี้ก็สแสวงหาหรือไปอธรรมดาสแสวงหาไม่ใช่ว่าจะไปยื้อไปแย่งเอาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเจ้าของทั้งนั้นนะดังนั้นแหละต้องได้หาเงิน้าทองไปแลกไปเปลี่ยนเอามันก็จึงได้สิ่งที่ตนรักตนพอใจนั่นมา แล้วการหาเงินหน้าทองกัวจะได้กระแสนยากแสนลำบากบุคคลบุญน้อยยิ่ง ย, ยิ่งแล้วใหญ่เลยไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาก็ได้เงินเพียงแค่วันละห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรอย่างนี้ละก็มาใช้ใจ่ายแต่และ ว, วันละ ว, วันก็แทบจะไม่พอแล้วอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขมาด แ, แต่ไหนล่ะ ลองคิดดูสิผู้มีบุญวัตนาบารมีเกกล้าคขายังชั่วน้อยบุญกุศลอำนวยผลให้มีฐานะดีมีสติมีปัญญาดีหาทรัพสมบัติไม่ไม่พอจะได้มันก็ได้มาคนมีบุญวัตนานะ่ะไม่ได้กล้า ก, กำลำบาก แต่คนส่วนมากนั้นมักจะมีบุญน้อยในโลกนี่ลองสังเกตดูว่าคนผู้มีบุญมากนะั้นมีน้อยเหลือเกินนะทุกคนต้องให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เมื่อรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างนี้ก็รีบพยายามฝึ ก, กจิตใจของตอนเข้าอย่าพยายมตกเป็นทาาของกิเลสตัณหา ผู้ครองเลือนก็อย่าไปเป็นคนเจ้าชู่มายาสาไทยอย่างนี้ตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้เอออย่างนี้นีก็ยังชั่วน้อยเพราะที่จะเป็นทุนรอนสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปผู้เป็นนักบวดก็ พยายามเจริญสมาถาวิปัสนาให้เก่กล้าขึ้นในใจิตใจดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละนัน่ถึงจะถอนตนออกจากลมคือกิเลสหรือกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี่ได้ดังแสดงมา